ค้มบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องสุ ป, ปะพุทธศักยะภาคที่หเรื่องที่12องของวรที่9าป้าปาวัตวันานาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปรารพเจ้าสักยะทรงนามว่าสุ ป, ปะพุทธ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณอันตลิเคณสมุทรมเชเป็นต้นตอนเจ้าสุปาพุทธะแกล้งนั่งปิดทางเสด็จพระศัสดาดังได้สดับมาพระเจ้าสุปาพุทธะพระองค์นั้นผูกอาคาตในพระศัสดาด้วยเหตุสองประการนี้คือพระสมณโคดมนี้ ทิ้งลูกสาวของเราออกบวชประการหนึ่งให้ลูกชายของเราบวชแล้วตั้งอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายนั้นประการหนึ่งวันหนึ่งทรงดำริว่าบัดนี้เราจักไม่ให้พระสมณะโคดมนั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต์ดังนี้จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไป นั่งเสบยน้ำจานในระหว่างทางลําดับนั้นเมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาที่นั้นพวกมหาเล็กทูลเท้าเธอว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วเท้าเธอตรัสว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนจงบอกพระสมณะนั้นว่าพระสมณะโคดมองนี้ไม่เป็นใหญ่กว่าเรา เราจากไม่ให้ทางแก่พระสมณโคดมนั้นแม้พวกมหาเล็กทูลเตือนแล้วแล้วเล่าๆก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแลพระสัส ด, สดาไม่ได้หนทางจากสำนักของพระมาตุลาแล้วจึงเสด็จกลับจากที่นั้นแม้เท้าเธอก็ส่งจาร บ, บุลุษไปคนหนึ่งด้วยํำชับว่าเจ้าจงไป ฟังคำของพระสมณะโคโดมนั้นแล้วกลับมาตอนเจ้าสุปาพุทธะทากรรมหนักจากถูกแผ่นดินสูบแม้พระศาสดาสเสด็จกลับมาทรงทำการแย้มพระโอษฐ์พระอานนทเถระทูลถามว่าอะไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระเจ้าข้า จึงตรัสว่าอาน o น์เธอเห็นเจ้าสุปาพุทธไหมพระอาน o n เถระทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าพระสัสดาตรัสว่าเจ้าสุปาพุทธนั้นไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็แต่วันนี้เท้าเธอจะเข้าไปสู่แผ่นดินคือธรณีสูป นาที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ประสาท ต, ตอนเจ้าสุปาพุทธะมุ่งจับผิดพระสัสดาด้วยคำเท็จจาร บ, บุรุษได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วไปสู่สำนักของเจ้าสุปาพุทธะเจ้าสุปาพุทธะตรัสถามว่าหลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้าง จึงกราบทูลตามที่ตนได้ยินแล้วเท้าเธอได้สะดับคำของจารบุรุษแล้วตรัสว่าบัดนี้โทษในการพูดคือพูดผิดแห่งหลานของเราย่อมไม่มีเธอตรัสคำใดคำนั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทีเดียวแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราจะจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จ เพราะเธอไม่ตรัสกับเราโดยไม่เจาะจงว่าท่านสุปาพุท ธ, ธจจกถูกธรณีสูปในวันที่เจ็ตรัสว่าท่านสุปาพุท ธ, ธจจกถูกธรณีสูบใกล้ที่เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทตั้งแต่วันนี้ไปเราจากไม่ไปสู่ที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ถูกธรณีสูบในที่นั้นแล้ว จะคมขี่เธอด้วยการพูดเท็จตอนเจ้าสุปาพุทธะทรงทำการรักษาพระองค์อย่างแข็งแรงเท้าเธอรับสั่งให้พวกมหาเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมดไว้บนปราสาทเจ็ดชั้นให้ชักบันไดปิดประตูตั้งคนแข็งแรงประจำไว้ที่ประตูประตูละสองคน ตรัสว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทใซพวกเจ้าต้องห้ามเราเสียดังนี้แล้วประทับนั่งในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่เจ็ดตอนจะหนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมไม่พ้นพระสัทสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเจ้าสุปาพุทธะมิใช่จะนั่งบนพื้นประสาทอย่างเดียวต่อให้หอะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งในอากาศก็ตามไปสู่สมุดด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขาก็ตามธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีเท้าเธอจกถูกธรณีสูบ ในสถานที่ที่เราพูดไว้นั่นแหละเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่านะอันตลิเคนะสมุตดมะเชนะปัปปตานางวิวรังปวิสสะนะวิจเตโซจักติปะเดโซยัตรัติตังนับปาษาเฮยยะมะจูติบุคคล จงนั่งอยู่ในกลางหาวเข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทรเข้าไปสู่ซอกเขาก็ไม่พ้นประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงำผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มีแกอัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่านับปภาษาเฮียยะมัจจุความว่าประเทศคือแผ่นดิน แม้เพียงเท่าปลายผมที่มรณะไม่พึงย่ำยีคือไม่พึงครอบงำผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มีคำที่เหลือก็เช่นกับคำก่อนนั่นเทียวดังนี้แลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลตอนม้ามงคล เป็นเหตุให้เท้าเธอเสด็จลงจากปราสาทในวันที่7ในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปาพุทธปิดหนทางภิกษาจารย์ของพระศาสดาม้ามงคลของเจ้าสุปาพุทธในภายใต้ประสาทคึกกระนองกระแทกแล้วซึ่งฝานั้นๆเท้าเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนนั่นเอง ได้สะดับเสียงของม้านั้นจึงตรัสถามว่านั่นอะไรกันพวกมหาเล็กทูลว่าม้ามงคลขนองส่วนม้านั้นพอเห็นเจ้าสุปาพุท ธ, ธก็หยุดนิ่งตอนเกิดเหตุหน้าประหลาดพระกรรมชั่วขณะนั้นเท้าเธอมีพระประสงค์จะจับม้านั้น ได้เสด็จลงจากที่ประทับบายหน้าพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียวบันไดตั้งอยู่ในที่เดิมของตนตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับเท้าเธอที่พระสอผลักให้มีพระพักขมำลงไปโด้ยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเจ็ดก็เปิดเองทีเดียว บันไดทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในที่เดิมพวกคนที่แข็งแรงที่ชั้นนั้นๆจับเท้าเธอที่พระสอเทียวแล้วผลักให้มีพระพักขมำลงไปตอนเท้าเธอถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีนรกขณะนั้นมหาปตพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปาพุทธนั้น พูดถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทนั่นเองเช้าเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกแล้วแลเรื่องสุปาพุทธสากยะจบป้าปวักวันานาจบวักที่เก้าจบ